มิลินทปัญหาของกรมศิลปากร อ, อารัมพกักถาอารัมพกักกถา ปรารบคำภีมิลินทปัญหาของพระปิตกะจุลาภัยผู้แต่งคำภีเรื่องว่าด้วยพระพุทธเจ้าเมื่อจะเสด็จนิพพานเมื่อพระอัตกถาจารย์ผู้มีนามชื่อว่าติปิตกะจุลาภัยเทระเจ้าตั้งไว้ซึ่งประนามคาถาในต้นพระคำภีดังนี้จึงยกวาระพระบาลีลำดับไว้ว่าเตนะโขปณะสมเยนะ พุทโธพความหาปรินิพพานะสมยเยกุศินารายังคันตวามหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงแปลความว่าในการครั้งหนึ่งนั้นพุทโธพควาสมเด็จพระพัควันตะบพิษพุทธสัพพันยูเจ้าวันเมื่อพระพุทธองค์เจ้าจะเข้าสู่พระมหาปรินิพพานจึงเสด็จขมานาการ มาสู่กรุงกุสินาราบุรีมีพระภิกษุสงฆ์ที่ตามเสด็จพระพุทธดำเนินมามหาตาจากคณะนับนั้นเป็นอันมากสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาพเจ้าจึงเสด็จเข้าประทับอาศัยอยู่ที่สวนพระอุทยานแห่งพระยามลราชทั้งหลายอันอยู่ในกรุงกุสินาราราชธานีนั้นและพระแท่นมีในสวนพระอุทยานนั้น มีพระเนยไปข้างทิศอุดรอยู่ในระหว่างนางรังทั้งคู่สมเด็จพระสัพพันยูเจ้าจึงเสด็จเข้าประทับบรรทมอยู่เหนือพระแท่นนั้นอันสมเด็จพระมหากรุณานี้ประกอบไปด้วยพระพุทธอัจฉริยใช่ว่าพระองค์จะตรงเข้าไปประทับอยู่ที่พระแท่นนั้นก่อนหาไม่ได้พระองค์มีพระพุทธฎีกาตัดใช้ให้พระานนท์ เข้าไปถวายพระพรแก่พระยามัลราชพระยามลรลาาฏจึงเสด็จมาทูลอนุญาตอาราธนาให้พระองค์ทรงสายญาติเนื้อพระแท่นนั้นเนื้อความนี้มีวิษฐานอยู่ในมหาปรินิพานสูตรแล้วท่านยกมาว่าในที่นี้แต่สังเขป พ, พอเป็นใจความเมื่อยามจากใกล้เข้าสู่พระมหาปรินิพาน สมเด็จพระโลกุุตามาจารย์ทรงพระอาภาัตทุพพลภาพเพียบลงเพียบลงจึงมีพระพุทธดีกาตรัสแกส่สงฆ์ทั้งปวงว่าอามันตยามิโวพิกเขเวขยะวยธรรมาสังขาราอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทถาติพิกเขเวดูกระพิกขุทั้งหลายตถาคตนี้จะอำลาท่านทั้งปวงแล้ว สังขาราอันว่าสังขารคือปุญญาพิสังขารและอปุญญาพิสังขารและอเนินชาพิสังขารปุญญาพิสังขารได้แก่สังขารธรรมอันกุศลตามตกแต่งให้เกิดในสุขติคือสวรรค์ทั้งหกชั้นและเกิดเป็นมนุษย์มีบุญบริบูรณ์ด้วยรูปโฉมนั้นก็ดีอปุญญาพิสังขารนั้นได้แก่ สังขารฝ่ายบาปอันอกุศลตามตกแต่งร่างกายจิตและเจตสิกให้สัตว์เกิดในอบายภูมิสีมนุษย์ทุกขติจะเกิดมาเป็นมนุษย์เล่าก็เป็นคนอดอยากตามืดและหูหนักเป็นมาแต่กำเนิดเป็นง่อยเป็นเปลี่ยเสียรูปเสียร่างมีอินทรีย์วิกลต่างๆก็ดีอนเนนชาพิสังขานั้นได้แก่ สังขารอันตามแต่งบุคคลที่ได้รูปประชานห้าและอรู ป, ปาวะจอนสี่อันให้อุบัติบังเกิดในรูปปะพรมและอรูปปะพรมนั้นก็ดีอันว่าสังขารธรรมทั้งหลายนี้ขยวยะรร ม, มามีแต่ว่าเกิดมาแล้วก็จะทำลายไปไม่เที่ยงไม่แท้แรปรรวนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัมปาเทธา ท่านทั้งหลายจงยังอับประมาทธรรมให้บริบูรณ์อุตสาหะปรนนิบัติจำเริญเมตตาภาวนาอย่าได้ประมาทลืมตนเมื่อสมเด็จพระทศพลตรัสอําลาสง์สั่งสอนให้ปลงสติปัญญาเป็นธรรมสังเวชดังนี้พระพิขุที่จิตเป็นโลกีนั้นกลั้นความโศกมิได้แสนที่ว่าจะอาลัยเหลือกำลัง คิดถึงโอวาทสมเด็จพระบรมโรกนาดสั่งก็ไหลหลั่งดังทาราน้ำตาตกตั้งแต่ว่าจะปริเทวนาโศกร่ำให้ครั้งนั้นสมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถจึงตรัสให้โอวาทอีกเล่าว่าท่านทั้งปวงมาโศกเศร้าเฝ้าแต่จะร่ำให้ทางนี้ด้วยสำคัญในใจว่าตถาคตนี้ นิพพานล่วงลับดับศูนย์ไปหามีผู้ใดที่จะเป็นครูสั่งสอนหม่ท่านอย่าได้น้อยอกน้อยใจชะนี้ถึงตถาคตนิพพานไปแล้วก็จะเป็นไรมีด้วยพระธรรมแป0 0ี่พันพระธรรมาขันที่ตถาคตตรัตเทศนาไว้เป็นฝ่ายพระสูตรฝ่ายพระวินัยฝ่ายพระประมาติจัดเป็นปรยิยติธรรมแล้วมิหนา อีกทั้งตติเวธธรรมทางวิปัสสนาก็บอกกล่าวสั่งสอนไว้บริบูรณ์อยู่ทมทั้งหลายเหล่านี้ที่ตถาคตตรัสบัญญัติสั่งสอนไว้นี่แหละจะได้อยู่เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนถาวรไปให้ทั่วห้าพัน 5, พระวัสสาประการหนึ่งเมื่อตถาคตเสด็จดับขันเข้าสู่พระอมตะมห ah านิพพานล่วงลับไปแล้ว อยู่ภายหลังพระมหาอริยกัสสปะเป็นพระสงฆ์เถระผู้เท่าจะเฝ้าคำานึงรำพึงถึงถ้อยคำของสุภัทธภิขุอันบูดต่อแก่เจรจาเชิญแชร์เป็นเสี้ยนเป็นน้ำเป็นหลักเป็นตอขึ้นในพระศาสนาพระมหาอริยกัสสปะจึงจะกระทําปฐมสังคายนามิให้ธรรมของตถาคตเป็นอันตราย เรื่องพระพุทธเจ้าทรงพยากรพระนาคเสนเถระกับพระยามิลินในลำดับนั้นล่วงไปภายหน้าจะมีพระมหาเถระองค์หนึ่งมีนามปรากฏชีอพระยะสะเถระมีบุญญาณุภาพมากจะบำราบปราบรามห้ามเสียซึ่งลทัทธิถ้อยคำวัดชีบุตรพิกขุทั้งหลายจึงประชุมสงสังคยาธรรม ชื่อทุติยะสังคายนาในอันดับนั้นสืบไปภายหนา้ายังจะมีพระมหาเถระองค์หนึ่งมีนามชื่อว่าพระมหาโมคคิลีบุตรเถระจะทําลายเสียซึ่งถ้อยคําของเดรธีทั้งหลายและจะสังขยนาธรรมชื่อว่าตติยะสังคายนาอันดับนั้นสืบไปภายหนา้ายังมีพระเถระผู้หนึ่ง มีนามกรชื่อว่ามหินทะเถระจะนำเอาศาสนาของตถาคตไปตั้งไว้ให้ปรากฏในเกาะลังกาปัญจวัฏสตานิอัจเยนะตะโตปรังมิลินโทนามราชาเบื้องหน้าแต่พระมหินทะเถระเอาศาสนาไปตั้งไว้ในเกาะลังกานั้นพระศาสนากำหนดได้ห้าร้อยปี จะมีบรมขัตติยวงววเรศเรืองพระปรีชาเฉลิมเลิศประเสริฐในสาขละนครข้างเกาะชมพูประเทศส่งพระกิตตินามอันวิเศษชื่อว่ามิลินทะภูมินทราธิบดีส่งพระปรีชาเฉลียวฉลาดเป็นเอกอักขระมหานักปราดหาผู้จะเปรียบปานไม่ได้โดยปัญญาเธอฉลาด เที่ยวถามปัญหาสมณะพรามนาจาร์หาบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งที่จะต้องต้านทานฉลาดถึงไม่มีแต่ชัยเฉลิมเลิศระษาปัญญาเชือนแช์ข้างจะผันแปราศาสนาตถาคตให้ฟั่นเฟือนไปจนแต่พระอรหันต์ก็ไม่ละลดเสด็จไปเที่ยวจดโจทนาถ้าไม่ทันคิดช่วยแก้ปัญหาเธอเข้า ก็กลับเ้าสีซากไปไล่ให้จนจนว่าคนทั้งหลายที่มีปัญญาเขาให้พลอยเห็นด้วยถือว่าใครไม่เสมอพระองค์ในการที่จะถามฉลาดลึกซึง้งครั้งนั้นยังมีพิขุองค์หนึ่งมีนามชื่อว่าหน้าคาเษนแสนฉลาดอาจสามารถที่จะแก้อัถปัญหาของพระเจ้ามิลิน ให้ทรงโสมนัสยินดีได้ด้วยวิจิตอุ ป, ปมาและพระนาเคเสนนั้นจะกระทำศาสนาของตถาคตให้ปรากฏถาวรตั้งมั่นไปทั่วห้าพัน 5, พระวัสสาในการนั้นนี่แหละพระนาเคเสนกับพระยามิลินนี้ต้องพุทธะรำนายไว้ในมหาปรินิพพานสูตรมาชะนี้เรื่องพระปิตกะจุลาภัย สันเสริญเกียรติคุณพระนาคเสนกับพระยามิลินเตนะอุตตังเหตุดังนั้นพระสังคีติกาจารเจ้าจึงกล่าวพระคาถาว่ามิลินโทนามโสราชาสาขลายังปุรุตเตเมอุปคันชินาคเสนังคังคาวะยะถาสาครังใจความในพระคาถานี้ว่า พระสังขีติกาจาร์เมื่อจะกล่าวนิทานพระนาคเสนกับกรุงมิลินให้วิถีานไปจึงสรรเสริญพระเกียรติยศไว้เป็นต้นเหตุว่ายังมีวงวเรศกษัตริย์ทรงพระนามบัญญัติชื่อว่ากรุงมิลินเป็นปิ่นมนุษย์ในสาคลราชธานีนครพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้แล้วไต่ถามซึ่งปัญหาแก่พระนาคเสนนั้น มิอุปมาดุดกระแสน้ำในคงขาทั้งห้าห่วงอันไหลล่วงเข้าสู่สมุทรสาคร อ, อันใหญ่จะได้ไหลละหลังถังเทไปอื่นหาไม่ได้ถึงจะไหลามาอีกสักเท่าไหร่จะลุนไปหามิได้น้ำในคงขาเปรียบพระบวรปรีชาของพระเจ้ามิลินและพระมหาสมุทรนั้นเปรียบดังพระบวรปรีชา ปัญญาของพระหน้าเกษนี้คำเพียรภาพลึกซึ้งไม่รู้สิ้นสุดเหมือนพระมหาสมุทรอันลึกและกว้างใหญ่ถึงพระเจ้ามิลินจะถามปัญหาไปสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนไม่รู้สิ้นปัญญาถึงปัญหาจะคำเพียรภาพจะลึกซึ้งประการใดพระหน้าเกษก็แก้ได้วิจิตแจ้งไป ด้วยอุปมาอุปหมายให้รุ่งเรืองสว่างสติปัญญามีอุปมาดุดหนึ่งว่าอุกาทานใต้และเทียนและคบเพลิงอันส่องแสงในที่มืดให้สว่างกระจางแจ้งในเพลาราตรีเมื่อแรมโรยรัศมีพระจันทร์ข้อุจชาและวิสันาการแห่งท่านทั้งสองก็ต้องด้วยไนยยและอัตถะอันมีในพระปริยัติไตรปิฎก ยกเอามาเป็นข้อข้อถามแก้ซึ่งกันและกันฟังแล้วเป็นอัศจรร ย, ย์ไพเราะแก่โสดเป็นที่จะให้เกิดปราโมทปรีดาโลมหังสนาบังเกิดขนพองสยองเกษาแห่งบุคคลอันมาได้ฟังในกาละครั้งนั้นสุยติสัพพะชนานังประการหนึ่งเป็นคำระบือลือชาแห่งคนทั้งหลายโดยปริยายได้ฟัง เล่ากันมาว่าเมืองสาคละนครมราชธานีที่พระเจ้ามิลินเป็นปิ่นเฉลิมนั้นมีแม่น้ำและภูเขาล้อมรอบประกอบด้วยสวนอุทยานและที่สนาน้ำและที่โบกคารณีสะสีสาโรอุโคตรกึกก้องด้วยเสียงนกร่ำร้องเที่ยวท่องผูผินบินไปมาในวนารามคือสวนต้นไม้อันหนึ่ง กรุงสาคลราชธานีนั้นหาภัยปัจจามิตรที่จะคิดทรยศประทุษร้ายรบราฆ่าฟันกันไม่ได้เหตุประกอบไปด้วยเขื่อนประตูคูค่ายหอรบเชิงเทินทั้งหลายล้อมรอบด้วยกำแพงมีกรอนทวารมั่นคงขนเฝ้าเล่าก็แน่นหนาะหากรักษาเป็นอันดีอันหนึ่งในราชธานี ประกอบด้วยวิถีถนนคนเดินเวียนแวะไปโดยรีและสกัดมิได้ขัดขวางถนนหนทางราบรื่นแต่พื้นก่อด้วยหินศิลาแรงเป็นหนทางใหญ่ไปสี่แพร่งสองข้างนั้นประกอบด้วยตลาดตั้งร้านรายเรียงไปดูนี้สนุกนักหนาอันหนึ่งก็มั่งขั่งด้วยช้างมารีพล เกลื่อนกลนไปด้วยนรชาติหนุ่มและสาวหญิงชายดาดไปด้วยตระกูลทั้งหลายอเนกนาน า, นาคือตระกูลกษัตริย์สุริยะวงศ์สาพ่อค้าชาวนามหาพรามณ์าหาพดีเศรษฐีเสวกามาศข้าราชการบ้านเรือนรั้วเวียงเคียงกันเป็นแถวๆดูแล้วก็เห็นงามตั้งตึกรามเรียงกันไปเป็นชั้นเป็นขนาด และรั้ววังของกรุงกษัตริย์ก็แสนสําราญในพระราชฐานก็โอภพาดไปด้วยพระมหาประสาทราชนิเวศรายเรียงเคียงกันสุดที่จัพันน า, นาทั้งมีคลังผ้าคลังเงินคลังทองคลังของต่างๆรอบรายภายนอกมีช้างข้าวช้างปลาช้างถั่วสารพัดท่วนทีอันหนึ่ง สาคละราชธานีสารพัด ท, ที่จะมีคือผ้ากาศิกพัดอุทุมพลพัดผ้ากโกสยพัดเงินทองแก้วแหวนอย่างดีเป็นที่ไปมาแห่งพานิชย์ทั้งหลายค้าขายอยู่อัตราและข้างนอกทุ่งนาก็บริบูรณ์ด้วยพืชข้าวกล้าปักหวานไว้ดูสนุกนี่กะไรดุดอุดอนกุรุทวีปก็เหมือนกัน ถ้ามิฉะนั้นก็สนุกดุจอาละกะมณทาอุทยานอันสถิตในสถานเทวโลกก็มีในกาละครั้งนั้นเรื่องว่าด้วยคาพีมิลินทปัญหามีหกสถานในมิลินทปัญหานี้มีหกสถานคือแก้ด้วยปุพหะประโยคะสถานหนึ่งมิลินทปัญหาสถานหนึ่งเมนดกะปัญหาสถานหนึ่ง อนุมานะปัญหาสถานหนึ่งลักษณะปัญหาสถานหนึ่ ง, นนงอุปมากถาปัญหาสถานหนึ่งเป็นหกสถานด้วยกันและมิลินทะปัญหานั้นแจกออกไปเป็นสองคือวิมติเฉทะปัญหาหนึ่งลักษณะปัญหาหนึ่งเป็นสองประการและในเมนตะกะปัญหานั้นก็มีสองประการคือมหาวัตตะคถาหนึง่ง โยคียกถาปัญหาหนึ่งและปัญหาห้าประการตั้งแต่มิลินทปัญหาไปจนอุปมากถาปัญหานี้จะวิสัชนาเป็นเอกเทศแปลตามวาระพระบาลีในมิลินทปัญหานั้นคือพระยามิลินถามปัญหานี้เรียกว่ามิลินทปัญหาและมิลินทปปัญหามีลักษณะสองคือลักษณะปัญหา ถามด้วยลักษณะเหมือนถามว่าภสษะเจตสิกนี้มีลักขณะอย่างไรถามอย่างนี้เรียกว่าลักขณะปัญหาอย่างนี้ก็จัดได้ชื่อว่ามิลินทะปัญหาและถามเพื่อจะตัดเสียมิให้สงสัยเรียกว่าวิมติเฉทะปัญหาก็นับเข้าเรียกว่ามิลินทะปัญหา และเมนดกะปัญหานั้นมีลักษณะสองคือมหาวัตตะถากล่าวข้อวัดปรนิบัติก็เรียกว่าเมนดกะปัญหาและโยคีถากล่าวด้วยพระโยคาวาจรปรนิบัติดูเยี่ยงมีเยี่ยงลาเป็นต้นก็เรียกว่าเมนดกะปัญหาและอนุมานปัญหานั้นเหมือนพระนาคเษน สำแดงเป็นธรรมนครธรรมบัญโพธปรากฏอยู่ยังรู้ว่าสมเด็จพระสัพพัญยูได้ตรัส ด, ด้วยอนุมานปัญญายังเห็นธรรมนครที่พระองค์สร้างไว้และปัญหาดังนี้เรียกว่าอนุมานปัญหาและอุปมากระถาปัญหานั้นคืออุปมาแก้ไขไต่ถามกันเรียกว่า อุปมากถาปัญหาแก้มาด้วยลักษณะปัญหาห้าสถานเป็นเอกเทศก็สมมุติว่าไว้เป็นใจความเท่านี้จบอารมพกถา